256 ตัชนิยกรรมวิวาธกถาว่าด้วยความขัดแย้งในตัชนิยกรรมภิกษุทั้งหลายอนึ่งในกรณีนี้ภิกษุขอความ ข้อความวิวาทข้อเรื่องอื้อฉาวข้ออธิกรณ์ในสงฆ์เอารูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น กรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมธรรมไม่ดีต้องทำใหม่ภิกษุทั้งหลายอัน ก่อความวิวาทก่อเรื่องเอื้อฉาวปออธิกรณ์ในสงฆ์ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาแล้ว สงผู้อยู่ในที่ประชุมเนาน เกล่าوแยงว่า กําแบ่งพวกโดยไม่ชอบทํากําพร้อม กรรมไม่เป็นอนธรรมกรรมธรรมไม่ดีต้องทําใหม่จัดเป็นฝ่ายธรรมวาติในที่ ก็เรื่องเอาละก็อธิกรณ์ในสงฆ์เอาละพวกเราจะแล้วแบ่งโดยชอบธรรมลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่ากรรมแบ่งพวก กรรมธรรมไม่ดีต้องทําใหม่บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวก ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูป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 จะเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้นภิกษุทั้งหลายอนึ่งในกรณีนี้ภิกษุก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาล่ะพวกเราจะลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยธรรมวัฏติรูปลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงฆ์ผู้อยู่ในที่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่าในและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่าประชุมกรรมทำไม่ดีต้องทำใหม่ที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมว่ากรรมไม่ ภิกษุเป็น <S aks. S 2> พวกเราจัดลงนิยัสสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวก กรรมแบ่งพวกโดยธรรมะปฏิรูปกรรม 258 ปัพภาชนียกัมมวิวาธกถาว่าด้วยอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุปทุสรายตระกูลมี พวกเราจะลงปัพภาชณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงปัพภาชณียกรรมแก่ที่ประชุมนั้นกล่าว กรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมกรรมแบ่งพวกโดยธรรมะ <สๆ S 1> 5 วาระนี้ท่านย่อไว้ 259 ปฏิสารณียกรรมวิวาทกถาว่าด้วยความขัดแย้งในปฏิสารณียกรรมภิกษุทั้งท่านทั้งหลายภิกษุ พวกแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมจะลงแบ่งพวกโดยชอบธรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่ง กรรมโดยชอบธรรมกรรมแบ่งพวกโดยธรรมะปฏิรูปกรรมพร้อมเพรียง 5 วาระนี้ท่านย่อไว้ 260 อทสนะโอเกพนิยกรรมวิวาธกถาว่าว่าเป็นอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัติเอาละพวกพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรม กรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมกรรม จะเป็นฝ่ายธรรมวาติในที่ประชุมนั้น 261 อปติกัมมะอุเขปนียกรรมวิวาทกถาว่าด้วยความขัดแย้งอันหนึ่งในกรณีนี้ ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูป พร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าว และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า 262 อปตินิสสัคคะอุเขปนียกรรมวิวาธกถาว่าด้วย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 แบ่งพวกโดย กรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปและ 163 ตัชนียกรรมปฏิปัสสัทธิกถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับตัชนียกรรม ภิกษุกลับประพฤติชอบหาเย่อยิงกลับตัวได้ขอระงับตัชนียกรรม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 ภิกษุถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหาเย่อยิงกลับตัวได้ เรางับตัจฉินิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้ง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 ภิกษุรูปนี้ถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหาเย่อยิง กรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมกรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมวปฏิรูปกรรมไม่ ภิกษุถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหา ระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุม <ilos of> <ia> และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่อันธรรมกรรมธรรมไม่ดีต้องทําใหม่จะเป็น กลับประพฤติชอบหาย่อยิงกลับตัวได้ขอระงับตัชนียกรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมธรรมไม่ ว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับนิยยสกรรมภิกษุทั้งหลายอนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงตัชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหาย่อยิงกลับตัวได้ <yson> <Lehrer Und Holmes> เอาละพวกเราจะระงับนิยตกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับนิยตกรรม กรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปกรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูป 265 ปัพภาชนียกรรมปฏิปัสสัทธิคถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับปัพภาชนียกรรมภิกษุทั้งหลายอนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงปัพภาชนียกรรม ภิกษุรูปนี้ถูกสงลงปภาชณียกรรมแล้วกลับ สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่าอย่าวิน caused วิธ cómo โอเค clapping บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า creeps และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอนธรรมกรรมธรรมไม่ 5 วาระ 266 ปฏิสารณียกรรมปฏิปัสสัทธิคถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับปฏิสารณียกรรมภิกษุทั้งหลายอนึ่งในกรณีนี้ กลับประพฤติชอบหายเหยอยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปฏิสารณียกรรมถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหาย แล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่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 อทสนะอุเขปนียกรรมปฏิปัสสทิกถาว่าด้วยความขัดแย้ง ภิกษุทั้งท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติ ระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุ กรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมะปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันธรรม อปติกรรมมะอุเขปนียกรรมมะปติปัสสทิกถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติภิกษุทั้ง ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่า ระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําเคิร์นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยธรรมบทิรูปพร้อมเพรียงกันโดยธรรมบทิรูปสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่า <sh> แหมพร้อม <version> ปตินิสัคคาโอเกพนียกรรมปฏิปัสสทิกถาว่าด้วยความขัดแย้ง แต่ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อยิงกลับตัว พระงับโอเคปณิยกรรมพร้อมมิสละทิฐิบาปแก่ภิกษุนั้นละถึงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดย กรรมพร้อมเปลี่ยนกันโดยธรรมปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมทําไม่ดี จำ